ใจจั๊กในฝึกเพ้นปฏิบัติ น, นี่อานิสงของการุดกอบรมจิตถึงที่สุดตามสำหรับตมล่าในตามคูบาอาจารย์ทังกาวไหวเต็มยางนั่นห้องทัวไปขีดหนึ่นงนาแสดงหาคุณงามช่อมดีประยากเสมียุ่ง่มซุกของใจอยากเะเป็นผูบริสุทธิ์ระยากเยียวของในการเกิดการตายการเห็นการไหวไในหลงอีกต่อไปเ้าไ มันฝึกมันเอบล้มเลยเบี่ยงใส่คู่กันถึงกล่อมบริสุกธด์ยืมมุมุดขังนแต่ฝึกมากยังพวกข้าวฝึกนี่แหละคอยฝึกใส่จีนิชี้หน่อยเปลี่ยนที่ใส่ชื่อกันจะเข้าเดินขั้างานเต้าหน้นงเต่ปนี้เต่านี้หนึ่เต้านั้นหลายเต้าเข่าใสจากสถานทีเบี่ยงใส่ใส่จากใส่จากทีเข่าหักเข่าเศ้าพ้นที่ฝุดก็จะถึง ที่เขามุหลังได้ไป้เดียวหอดัถึงนดอกอาศัยเ้านั่น้นเ้านี่มีการไปิปฏิบัติจะปิปฏิบัติไปทุกวันทุกเวลานี่แต่ถามเพไปะไปคิว่าเวลานีมันหนกเวลาน่ันมันนมันมีคู่ใดมันสบายดอกโลกอันนี้ต้จะคว่ำหกคนเท่านั้นีเอาคว่ำหนกควหนมาเป็นเครื่องัดัเอาคว่ำกควหา เป็นแ น, น่าหนา เ, เดตุยังบ่ได้ค้าอย่าแค่นั้นนาคือยัอยงไ ม, มันมีคนพูดอะไมกันไงถ้าพูดใท่เจ้ากระบอไงหนาคื อ, อ, อแฉลบแทบตายว่ควรจีแตบคุณนัง่งซ้อมดีมนะสอนหลกถาอียุเจ้าทาั้งหลายใส่หนาแสนเนยลาบากแสนลาบากบางขันบางองค์อดรับอดนอนเป็นตลอดไปมาสามเดือนจนตาแตกย่างใคเจคู่ บ, าบ้านไม่ยอมรับยอมนอน มากผลบกเบิดขึ้นน่าคิดมน่ ใ, น ใ, นใจตีใบย่อมเอี่ยนย่อมนอนเลยต่างยิ้ต่างใจอะยะหนังถ้าความเชี่ยนกันยังขมขมนุ่น้นทีท่สุดตาแตกตาเหนือ่อตาในจะได้ซ่มหลูล่ความสลาดขึ้นในระยะตาเหนื่อคนแตกเป็นหลูแฉ่งแฉงตลอดในท้ำหลังก็บอกเป็น ปัญหาอันใดสํำรับตาเนื่เอเวลาเพ่นลูทาคิดทางใจสิถึอย่างใดมั น, นบ่แตกเ้่านี่นั้นจสิแตกเท่าตายละสํำรับตาควรคิด เ, เรเ่องปัญหาผีเพค่รมุงหนา้ามุงตาส ำ, สาสำลักช้าสังเหล่าําลักไปแล้วลบกไปแล้วผีนากลัวควรห้เกิดอีกเป็นทุกข์อีกบ่หนี้ท่านดีผี่เกิดมาเป็นมนุษย์ถนัดย็ดพร้อมล่อมดิบเอาไว้ ในจิตใน ใ, ใจจนเชี่ยงพ่อจนลดพ้นจากความคลาดของของจิตของใจจากเกิดปัญหาทั่วไปถึงนตาแปะตาในชนนี้ความดียูเสดชนนี้แล้วแต่ว่าเป็นปัญหาอันใดถ้าหากตาแฝกหูแ ก, กลววะซะวาสะตีปัญญาลิชาจมูกมากวนอันใดวันนี้ตาแฝกไปเตป า, าหูแกหววกไปเตา ร่างกายจะตายไปเตามันาขาดึ้นหลายเนี่ยนะาาตาแตกนีก่เล่นตายไปใจมาักผลภายใ น, น, ในใจินได้ใจเกิดได้เป็นได้หนี้ได้ใต่างกระท่อมบอมเพ็ญนั่นก็บบเป็นของสามขั้นอันใดพราะปัญญาก็เข้าไปไปเด็ดเนี่ยถึงเนี่ยมันงเกี่ยวกับเด็ดทีเข้าใส่มันหายไปกัาตามจะเข้าเด็ตามอเขาก็าาดีอกดีใจแา่นี้ เงียบถี่ใจใสเด็ดมันหมดไปแคตากขาบ่ได้มันมันไม่ซ่อมดีใจอันไหนีน่ ok, เขาเกลียดมาเป็นมนุ ษ, พพาษาะนะนย์พุทธพุทธศาสนาล่างกายเขาเหาหล่มหายตายไปแต่เพียงงามซ่อมดีอันไดนเขาบ่ได้เขาไม่ซ่อมแย่ใจนี่ ok. เขาเกลียดมาเป็นมนุษย์ พ, พุทธพนะุทธศาสนาตาของเขาแต่ได้หเห็นภูเขาประเภทดีบบทไปฏิบัติสอบหูของเขาแต่ ไ, ได้ยินธรรมะธรรมโมใจของเขาแตได้คิดได้เนก ท่าม่นท่านขุ่นท่าเกิดมาจึงมาเป็นคนโมกหะมาเป็นคนเตาในอุสาห์สร่างงามทำบุญชุนท่านตามสำลักล่างตามปามาต้องเฮาพยายามทําไปเกิดชีวิตร้าใหม่เวลาตายตายไปเหนื่อยไดเอาใจเอาจิดยุดสียามันผู้ชินระลึกเมกได้ย่างนจังก้าหน้าสัางคุณนงามความดีกลเพียงท่ายิีมริต มาในสถานที่ต่างๆสละเลความชุกของสายผีเข้าเคอยู่บ้านอยู่ซองเคยนั่งเคยนอนผูกคอเบาหมอนต่างๆออกมาอยู่ตาอยู่ดงออกมาตังเขษตั้งถ้าออกมาผลิตปฏิบัตินี่เดี๋ชื่อว่าผู้พิชิตหัดอยู่เดินตามหล่องร้อยของชาวเยือเจ้าเคยข้ามาเจ้าก่อนเดินผูกสันทั้งหลายวิสาทาย่ำมาสั่งคุ้นง่ายความดี ในข้าวนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผูติมีแบบข้าคือซ้ำเตื่นในขามคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงออกมาได้บัวยางนั่นออกมาบัได้จะกองชิดในบ้านใน่องในจิงในของต่างๆเขาออกมาได้ยางนี้คือว่าเป็นข้นดีที่พระพุทธเจ้ากำลังเสด็จเดอนย่อเขาคิดเก็บใจของเขาใส่ละใส่ถอน ในความคิดของขอใ น, ในใสถานบานร่องต่างๆไหวต่างใส่ข้าวเขายังมีชีวิตอยู่นี่แหละต่อไปเมือ่อเข้าหมดลมปานะชื่อลมหายา ย, ายไปคิตเท่ายังสีบอกของในบัตรใน่องในจึงในขอ ง, ต, งต่างๆสีอาศัยบุญปู่ฝนสีเข้าอบลมจะทําบํเาเพ็ญหน้ามีภพมีฉากต่อไปบุญปู่ฝนสีเข้าต่างไหวเดืวดตายเดือดใส่ของเข้าสีเข้ามีชีวิตอยู่ ขาสิได้อาศัยถึงข้าบุญกุศลชวนนะ่ะไปเกิดในสถานที่ดีนีสุขตามข้อมุงมาตาดนาของเฮ้าเ่อเป็นคนอาขับอับเนม้าได้สางบุญกุศลทุกซึ่งทุกอย่างนะ่ะเสียบอมเพียงพ่อแล้ว ส, ส, สึไปเกิดในสถานที่ใดใดตามความต่องสารแั้นนเกิดเป็นมนุษย์อีกเท่ากับเป็นผู้จิต โมมีโลกใข่ไข่เก็บเป็นฟูถีสมบูรณ์พูนชุกเบิดศับท์สมบัติทูกจึงถุกประการสนุกต่างนา้ำถ้ำบุญชุนถ้นต่อไปเห็นฝนสีฟุดจิตใจของเเี็ดนดีหมดเมื่อใดเข้าิปยุดล้อยออกไปจากโลกโมได้เกี่ยวของในการเสียดายอีกต่อไปหนีสางต่างพ้น ง, งามความดีต่างไปว่า น, นั้นนิดว่านีหน่อยโดยอดสมบยูญบ่อถอยไทอย่านถ้ำ เวาน่อยแกทาบยุท์บรถอยมันมากสิเองยุดใจท้องเฮาแต่นี่ท่านนองเดียวกันครับด่านวัตถุด่านวัตถุท้องหน่อยก็ตามแกเชมาันเขาบยุทธ์บรอยมาหลายสิมากสิช่วยงานซ่อดีีเฮาสะสมอบร่มทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจมันสะสมอบร่มอยู่เรื่อยๆงานซ่อดีแต่ใครวิ่ึพนชิบงานซดีเป็นี้เป็นของสิ เฉลี่มสี on, feeling, eh ่ม่านแยงเอาบ่ได้ตายไปก็บบเสียบัวคือสมบัตรถัดสถานชายนอกตายไปแต่เป็นของคนอื่นเป็นของลูกของหลานเรียกว่ามีลูกมีหลานหลวงเขาจะยึดเอาไปเป็นสีรอแหลมต่อไส้ต่อนน้าต่อเฉล่ดาวขาวมุ่นคนบินปู่นถินทานภาวนาถี่นภูใจเจ้าตาไวมันมีบุคคลผู้ใดถิมนไหนเอาได้มันมีบุคคลผู้ใดถิมนมถุงมาเผาห้เสียหหายไป ภูชายเจจังเะเมื่อไดเข้ายังบาดสุท่านถึงสีอสุดลมุดนิท่านต่างเอาแต่ถ้ามเอาจิเป็นจี่ถึงของเข้าในโลกทางหนาขอบุญกูญเช้นหากนี่ได้จรงของบุคค้อนภูใดล่ะไปสถานที่ใดบนนอย่ะหนาตามใจไปเกิดได้ไะดวกสบายอยากจะเกิดเป็นเกรดสุทเกิดปีดาเป็นอินเป็นพ่อมได้อย่าวัวควนมา ต่างบาลานในมนุษย์อีกจะได้ตามข้อมมาสาธารณะของเข้านะครเข้าบริษัทสั่งคุณงามซ่อมดีเอาไว้จะอยากไปยางเพนมันจะไปเพได้ทีก่กนก็เข้าวอมีเงินไงเขาอยากสิ้นรถเข้ากับบริษัทิ้นรถแต่ถ้ามีเงินละ่สะสีอยากสิ้นท่านไถ่งนบว่าแต่จะอยากสิน้นมันอยากสิ้มาเป็นฉบับของเข้าจะได้งั้นช่องเป็นเกี่ยวสารพัดหนึอันหนึ่งสาหรับมนุษย์ เข้าแกาหักที่ไปจ่างเอาสวรรค์จ่างเอานิทานเมื่อไรเด้เยควรบุญควรกูเสนเป็นเกี่ย ว, วสำรับพัดหนึ่งสำหรับศพหนาที่ไปเกิดสถานที่ใดใดตามสาธนาเพราะเขามีบุญมีผูเส น, นไงเนะ่จ่ายท่องเข้าแล้วอยากไปสถานที่ใดไปได้เงินเขาวอมีเชิงบุนนี่เชิงวดที่ไปต่อตามสวรรค์นิทานอยู่สถานที่ใดบุญุูเส้นทงเสริม ดิสาูงไปไหนเพราะบุญกูเซนนั่นนั่บุคค้นหายไปเสือในสถานที่ทุกที่สบายโอนดาบกูเซนนําบุคค้นผู้ประทิดปฏจีัตัผู้เห็ดผู้ทาไว้หายไปสถานที่ตัวสาล่ามกยังน่าลกเศษดอซูลาสายฟ้าจีลาฉานสิ่งห้บัตตองสารจาได้ทำไว้มันจะคุดลากเข้าไปเือกันก็ควที่บราน ภูมิานแต่ล่างหะล่ะชุ่งยานเดียวแต่ตามเสียถ้ำคว่ำตัวเสียหายเขาจะจับก like like ุมคุ้มตัวไปใส่ภูก็ตแตล่างไ่อยากเขาก็ได้ก็ได้เขาหนุ่ยเคน่ี่ตัวคนถี่ดีบิมีเถิดมีใข่ส่สถานสีได้เากับวจับกุมคุ้มตัวเฉือนบุญเฉนเที่ห้างสางไว้เป็นถ้มดีถ้ำขั้นถึงน้าเห่า ถ้าเกิดในสถานที่ดีเมื่อเขายังไ่ทันยุทท่านผลจากกิเลสปัญหาเมื่อเขาฤทธ์เขาผลไปเมื่อใดอย่างบุญอย่างบาปแต่พ เ, เ, เป็ น, ป, น, นปัญหาสาหรับบุคคลผู้น่ะเพราะหมดคนเกี่ยวข้องผัวพันแต่สาหรับคนดีนี่จิตอันบริสุทธิ์บ่คคลสั่งทำตัวถึงคนผนไปแล้วแต่วา่ามันกิจกรรมทตัวอีก เหมือนกันแค่คนเสียบขั้วเขาฟ้องชกกระฟุกแล้วไม่อยาก็ะเสียบหัวอีกเพราะมัดเปลี่ยนมันเ น, น้นยึดใจผู้ที่เิ็นเห็นที่เน้นถ้ำเนีเยจะถ้าในี่นแค่ความดีต่างแค่ความดีเอาไว้ประดับกายระับใจของคนจนถึงคิดทรุดแล้วจะอยู่สะดวกสบายแม้ตายไปการใดแต่ว่ามีทุด บว่าจริงนั่นยังบ่ให้ในเหตุจริงนี่ยังบ่ให้ในธบ่เคยนี่ยของมองใจของคนแต่ของคนเป็นปชินมาาสตรเป็นศาสตร์สืบถ่ายตายแดนมาเด่งอมาเกิดเยี่ยนมาเกิดอีกหนีเฮาจกเกิดอีตะคบแจ๊เชันพระพุทธเจ้าก็ซ้ำอ่ะทำหน้าว่าเฮาสิเกิดสิตายไปอีก พอได้กลับเธอได้สันแต่สีผลไปจากกิเลสปัญหาจากโลกจากสงสารเทวทัตปลาตัวเป็นไงยังพยา ก, กรหัแต่เฮ้าหนินหมันชินเมือกินน้ก็เทวทัตก็อาจจะเป็นได้เพราะว่าเด็กนี่พระเจ้าพยา ก, กรแต่ทิ้อยางไหนไปดีก็สงสารคนงามความดีให้พุทธภ า, ายในพยา ก, กรหัเมืิจใจข้องเฮาเดี๋ยวนี้นม่ซ่มหรือซ่อัวเพาปัญใด ให้จิตที well. ่แก่น่าจิตของเฮาตามซาลาโมเข้าไปรีบึจิตอุ้มใจของเฮาให้ดีเด่นสูงขึ้นจะให้มันจิตความส่วนาลาโมจิตของเฮาดียุเกิดอยู่แล้วแต่ยังไม่ให้ถึงจี่สุดเข้าก็พายาย่างท่านจิตเพิ่งใจให้ดีเด่นขึ้นไปจนถึงจี่สุดเอาพุตทะภายในเป็นเสรื่งพยากรณให้ ข้เห้ามีพุทธะอยู่ทุกคนพุทธะถือทู่กลุเข้ารูุอยู่หนาวเข้ากลูหล่อนเข้ากลูพิดเข้ากลู่ถูกเข้ากลู่ยย่นเข้ากลุกยหิ้เข้ากลู่เข้าห ล, ล, ล, ล, ล, ล, ล, ล, ลูอยู่ในห้าเด้อหายใจอยู่ในห้าทาั้งนั้นพุทธะตัวนี่ยเป็นพุธธทธะสี่สำคัญาหาภูเลสเฮ้ผูเลสาใจเพุทธะทายใน่อื่อเห็นพุทธะในจิตในใจของคนจริงจังผูนั้นเป็นผู้หม่นโคตยดอบาย อย่าพูดได้เป็นผู้ทีดีดีเขื่อนอย่าพุทธะภายในมีอยู่ในจิตในใจของเฮาุกคนรมันจกผลการภาวนาเนี่ยเข้าไปผนถี่ชุดที่ไปประสบพบเห็นพุทธะองค์ภายในอยู่พุทธะองค์นี้ที่บอกเฮาสอนเฮาเฮาคิดคิดท่ามิดพุทธะองค์นีน่จะจิตใจบอกให้ขขว่าจริงหน่สมควรจงหน่ะสมควร น, นู พอใจอยู่ภายในของเห่ายู่พุทธะเฉพาะตัวเป็นผีของสีนิ่งอยู่ทั้งนิ่งทั้งผู้ใกผนถูกขนนิอยู่บ่เลยนิ่แต่เช่นนักบวชฆราวาสแตพุทธะองค์พุทธะองค์นี่อผู้ใดเสื้อผู้ใดเหยืใสผู้ใดปฏิบัติพุทธะองค์นี้ได้ เป็นผู้สืดีเด่นพอเห็นพระพุทธเจ้าค่ายหนอกพอเห็นแล้วว่เราเพื่อปฏิบัติตามแต่ว่ได้มากได้ผลได้คุณงามความดีอันใดควรเห็นพุทธทาสไพ่นต้องอาศัยการทำความดีแจะสืบไปทดพบเห็นได้พอได้เห็นพุทธทาสไพ่นได้ผู้นั้นมีกายมีใจเยือกเย็นมีความสุขทุกการทุกเวลาการภาวนาคือการ พสามอบร่มจิตของตนเหมือนตนเาพรท่านใช้ร้องใช้ร่วมใชสมบัติงัดใช้ไ้กริบัสแบบบริกรรมหรือแบบเข่งจริงได้จริงหนึ่งจิ่งเอาอายว่าร่างกายเขาเอาศิลป่งหนังเ่งกระดูกต่างใจเข่งเยอะหะดจิตของเขานันโบต่างใจเพ่งให้มันแทรกซ้ายนันบอะไรสาราประโยชน์อันใดมันบแหลมโบคมให้ เพ่งเขายิ้งจงจังๆล่ะตั้งเตตี้เจ็บเจอยึดมั่ไปเลยเหยื่อล่อใจสถานทีอื่นบังคับให้มั่นอยู่ในสถานผีฮอสเพ่งมั่นไดเลยกปอกวนเกี่ยวของจำเรื่องอันอื่นคือกันเจ้าฮอซี่หม่ให้จิไเตตี้จับฝุ่นแจ็กกี้เนี่ยบานนี้ปล่ทะลุให้ที่เราบันไดเหตุที่เราจะบันทัน แล้วมันสอนลงได้มันทะลุลงได้จิตใจถือเขาบริสุทธลงร่วมเม่อเขาจี๋เขาเพ่งยุ่เหยื่อเขาบริกรรมตั้งมันยุ่เหยืมันลงได้มันร่วมได้แล้วกู้ใจจ่ายต้องสอนเขาคุกทํานอกนี่ต้องสอนความลงร่วมของจิตของใจการจิตจิตจิใจไอ้จิตเอาใจใจนี่จะจิตจริงจังแลสจิเต็ม ปล่อยแต่จะมันผิดเพี้ยนิเปี้ยนเห็นเถอะข้างนอกนั่นมันบ่ได้มากเลยฝนอันไหนเขาเคยปล่อยมากเนี่ยเอาแบใบหม่เขาติต่างใจจีจังถ้าเกิดกันถ้ำฝนมันกระเจิดผิเดเห็นจุดเจนจุดกายสีตัวขาดฝนมากกวเหตดถีถ่ถ้ำบางสันบางคนถ้าถา้ำนกไฟนุ่นๆหน่อ ย, อยบ่ได้ตามซ มุงมาตาชนะเลยยุดเล่พอยเลยฮะเรื่องอันใหม่ถ้าน้อยหมือมันก็ได้ทือกันเจ้าเขาปลูกเป็นใหม่ถ้าปลูกลงไปยังโบรานเลยถ้าปลูกเพร้าเบางค้าทนี้ออกดอกออกผลมันออกก็ได้มันบอกเรื่องการซื้สมัยของมันมันก็บอกถ้่มันบอกออกกับิถอนไปปลูกวันใหม่จอหน้าฟันจะลายเฉียดสายสั่นเปนใหม่ได้ก็ได้กินดอกกินผลอันไดนของมันนี่ชื่อกันกัน ขี่สงสัยวารีกรรมอันนั้นวัตถุขึ้นจิตขเส็จ้วยารีกมอันนี้วัตถุจิเสดวยส่บบไงให้กอันใดเถอะเือยหนาเพราะว่าหลังคุกไปนั่ไม่บอกจีงเอาสังจักยังมันยังสั่งมันเป็นคนจับเก็บเป็นคนขีบ่แน่นอนเราต้องคิดคิดใจทังหให้มันคงเอาอันใดเอาจีงเอาสังเห็นเห็มันเห็นผล จากการกระทำบำเพ็ญของเฮาเยนการให้ท่านขนาดั้เเสืเ่มเยนย่อยอดอกอุาหะ ย, ยามทามาหลายจริงหลายอย่างสลายแหงหลายหนอย่าง น, ะ น, านาั้นนะีลนี้เพ่มีลนี้ท่าที่สงนัทาบุญขนาดจบอย่าเจิมีมาเนี่ประวัติว่าศัตรูนะเคยสงมาเคย แต่ม้ำบนเพี้ยนมากแต่เพี้ยนด่านภาวนาแต่ถ้าอีกเห็นไหมไหลไหลลำตั่งใหญ่แย่งสิถ้าถ้ำเพี่ยนไปแต่เยสิเพ้นให้เป็นความสุขของใจเท่านั้นเพาะมันถ้ำเผอผู้อื่นด่านภาวนาถ้าเขาบอกใครยหใุใทถาำเพราะก็คือว่ามันง่ายมันลาบากแต่ทถาำสิ้นผู้คนใครเหตุใทถาำผู้คนของเจ้าเสน่ห์เสน่ห์เป็นข้องงาย งานกรสาหายท่านต้อเห็ดใบทุกสารทุกเวล่ากาท่องหายท่านตรงนีผู้่าลับเท่ากันการหายท่านแบบเชีนภาวนรณมีสุลับโมีสวลับขเห็ดเอาได้ยุคผู้เดียวก็เห็ดใบยุคเมื่อป้าเมือด้งกัเห็ดุคเมื่บ้านนี่เชี่นก็บเห็ดใบเห็ดใบสะดวกสบายเป็นของง่ายว่าเด็กไปขนไปหาวัตถุอันใดมากแต่เห็ดกินได้จิตใจก็บนนอยากความเย็น ความสุขคสบายหมากม า, กม า, กายกายของยื่งกับการหายท่านอีกหากเสีเย ด, า, ดา ย, ายท่ได้และการภาวนานี่เป็นเรี่องสารชำลักเกี่ยวกับปัญหาเป็นยอดท่องบุญพระพุทธเจ้าเฟื่หาท่านลักษาขีาามนมากเป็นเวล่านมแน่นหลายขบหลายฉาดแต่เหนือเวลาสิบปัจจุบูนเป็นเสยยมผู้เป็นผู้สอน โลกประ่าดได้แต่พออาศัยการภาวนาเข้าสิเจงว่าจ่าสิงห์พระภูใจเจ้าว่าพุตข้างจะไปนั่งเช้าเนี่ยขอสึงพระภูตใจเจ้าเป็นทีสิเล่าสักขึ่งลดลมจิตใจของเขานี่เป็นผูตีเสียวพระภูตใจเจ้าภาวนาสามพระภูตใจเจ้าที่เป็นเคยแต่ทำบนเพนน่าเขาเรลึกอันใดแต่เป็นภาวนาให้ but so, so, remember, so, ัรนมนี so, uh ้จะจิตธรรนมีจะจิตเราลิกอันใดแต่เาเป็นภาวนาให้ ท่าพุทธเจ้าีตาโีิชิตใจลงล่เท่นกันว่ไดเอามาจากถานที่ใดกำหนดิ่มหายใจของนกำนดิ่มออกกำนดิ่มเขาม่ห้คิตใจยุ่นุ่นเี่ยวของกับสัญญาอารมณอันใดเ่นที่คิดคิดใจของคนกะสบมีเรื่องเส้นที่จะได้พุทธนี่ร่างสานสิสี่ยานพระองค์กำนดล่มหายใจข้อหนึ่งคว่ลมหายใจ